เรื่องพระฉับ พ, พักคีเรียนดิรัชานวิชาสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีเรียนดิรัชานวิชาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเรียนดิรชนวิชารูปใดเรียนต้องอาบัตทุกกฏสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีสอนดิรชานวิชา